เสร็จแล้วก็เชิญพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทางทิศอุดรแห่งพระนครก็แปลว่าไปทางประตูด้านเหนือเข้าไปในถ้ำกลางพระนครโดยทิศเหนือแล้วก็ถึงถ้ำกลางพระนครก็อัญเชิญพระศรีระไปทางทิศบุรพาวางพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะมากุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามาละทางทิศบุรพาแห่งพระนครนั่นเอง ในระหว่างนั้นเนี่ยนะในระหว่างที่อันเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีนักบุญผู้หนึ่งที่เรียกว่าทําบุญใหญ่มากเลยก็คือตอนที่ไปถึงท่ามกลางเมืองกุสินาราในหน้า446ยอนหน้าล่างบอกว่ามัชเชนะมัชชังนัคราษรหาริตวางความว่าเมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเขานำมาอย่างนี้ก็คือกาลังอันเชิญแห่กันไปนั่นแหละ ภรยาของท่านพันธุระเสนาบดีชื่อว่าพระนางมริกาคือพระนางมริกานั้นเป็นมเหสีหรือเป็นภรยาของพันธุระเสนาบดีพันธุระเสนาบดีนี่เป็นเป็นเพื่อนกันกันกบพระเจ้าเประเซนธิโกศนเคยไปเป็นเสนาบดีอยู่ที่เมืองอสาวัตถีซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มีคนยุแย่เนี่ยนะส่อเสียดจนพระเจ้าเประเนทิโกสนเนี่ยให้ฆ่า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 นางวิสาขาก็ได้เอาของนางนี่ถวายพระพุทธเจ้าจนได้สร้างวัดชื่อวัดวั ด, วดปุบพารามเนี่ยนะปุบพาหมายว่าที่ตะวันออกไม่ใช่ปุบผาที่แปลว่าดอกไม้แต่หมายถึงวัดที่อยู่ด้านที่ตะวันออกของเมืองสาวัตถีเรียกว่าปุบพารามนะก็มาจากมหาลดาปราสาทส่วนตอนที่พระองค์ปรินิพานนางก็เอามหาอ่ะนางมริกานี่ก็เอามหาลดาประสาทเนี่ยมาถวายเสร็จแล้วก็เอาเครื่องประดับอันนี้มา ชำระทําความสะอาดด้วยดอกอด้วยของหอมวางไว้ใกล้ประตูเล่ากันว่าเครื่องประดับนั้นมีอยู่ณนะสถานที่สามแห่งเท่านั้นคือที่เรือนของสตรีทั้งสองคือนางวิสาขาและพนางมาริกาและอีกที่หนึ่งก็คือเรือนของโจรชื่อว่าเดวนานนิยะเนี่ยนะแสดงว่าโจรเคยปล้นเอาไปเหมือนกันแล้ก็ยังว่านะเรียกว่าของดีกับโจรเนี่ยมันอยู่ใกล้กันของมีค่ากับโจรเนี่ยแหมมันคู่กันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะ เพราะอะไรเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งการเพ่งเลงเนี่ยนะแหมครีำว่าลงทุนไอ้การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันโจร น, นี่แหละแต่ก็อย่างว่ามีเล่าอย่างนี้ว่าแหมพวกอะไรนะเราเนี่ยซื้อเพชรซื้อพลอยแล้วก็มาใส่หีบใส่ตู้เซฟใส่ลิ้นชักอ่ะนะอันนี้โดยมากกาันโจรกระจอกโจรกระจกกระจอกงั้นงี้เอาไปไม่ได้เนี่ยนะแต่พอโจรระดับบ้านเมืองเนี่ยมาถึงก็ยกเอาไปหมดเลยเนี่ยยกเอาทั้งตู้นั่นแหละ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 ย้อนกลับมาถึงนางมริกาผู้มีศรัทธาเนี่ยนะผู้มีศรัทธากล่าวกันว่าเมื่อพระสรีระของพระาศาสดามาถึงประตูของนางแล้วนางก็กล่าวว่าพ่อทั้งหลายจงวางพระสรีระของพระาศาสดาลงแล้วเสร็จแล้วก็สวมเครื่องประดับนี้ที่พระสรีระของพระาศาสดาแล้วเอาเครื่องประดับที่มีมูลค่าเก้าโกฎเนี่ยมาบูชาพระสรีระของพระองค์ เครื่องประดับนั้นสวมตั้งแต่พระเศียรจรดพื้นพระบาทพรสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีพระชวิวันเหมือนทองคําพอประดับด้วยมหาลดาประสาทที่ทําด้วยรัตนะเจ็ดประการก็ดูรุ่งเรืองอย่างยิ่งยิ่งงามเข้าไปอีกเนี่ยนะพระนางมริกาเห็นอย่างนั้นจิตใจก็ผ่องใสทําความปรารถนาอัะอาศัยบุญเรียกว่าทำบุญเสร็จจิตใจที่ปีติผ่องใสตั้งความปรารถนาว่า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 แม้กว่าจะแต่งเสร็จวันหนึ่งหมดเป็นชั่วโมงกันนะกว่าจะแต่งเสร็จเนี่ยนะถ้า แ, แต่งทุกวันทุกวันเนี่ยทั้งทั้งชาติเนี่ยหมดเวลาไปกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่ามาวุ่นวายเสียเวลาอะไรกับการแต่งตัวให้มันงามตลอดไปไงนะขาตราบจนกว่าจะาปรินีผ่านเน่ยนะจกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นแหละครั้งนั้นเจ้ามาละปาโมกก็ช่วยกันโยกพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเครื่องมหาลดาปราศาสที่ทําด้วยรัตนเจ็ดประการออกทางทิศบูรพา วางพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าลงณมกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามาละทางเบื้องทิศบูรพาแห่งพระนครซึ่งสมัยไหนแต่ไหนแต่ไรมา ก, ก็ไม่เคยมีใครมีพกขสมบัติเท่าพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพกขสมบัติมากที่สุดในโลกะนะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเนี่ยมีพกขสมบัติมากจริงๆแม้แต่ตอนที่พระองค์ดับขันก่อนปรินิพานเนี่ยนะพระองค์ก็มีพกขสมบัติเยอะอยู่แล้วนะปรินิพานไปแล้วโภขสมบัติของพระองค์เนี่ย เยอะอีกเยอะจริงๆแล้วก็อันนี้โภกคสมบัตินะั้นแล้วอริยทรัพย์ของพระองค์ก็มีหาที่สุดไม่ได้พระองค์มีทั้งโภกคทรัพย์มีทั้งอริยทรัพย์มีทั้งโลกิยาทรัพย์และมีทั้งโลกุตระทรัพย์เนี่ยนะพวกที่มั่งมีจริงๆเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสั่งสมบุญไว้มากเนี่ยนะทั้งบุญเนี่ยเวลาที่บุคคลที่สร้างจนเพียรพร้อมสมบูรณ์ภัยบุ์บริบูรณ์ก็ให้ผลเปลี่ยนเช่นเดียว ก, กันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นี่ต่อไปว่าในหน้า328เอ่อครั้งนั้นพวกเจ้ามาละเนี่ยนะหลังจากที่วางพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ที่มกุฏพันธนะเจดีย์แล้วก็ถามท่านพระนรนว่าพวกข้าพระเจ้าจะพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรท่านพระนนก็กล่าวตอบว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลาย พวกท่านพึงปฏิบัติในพระศรีระของพระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในพระศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นเจ้ามาละก็กราบเรียนถามว่าเขาปฏิบัติในพระศรีระของเจ้าอของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นอย่างไรเล่าพระนนทตอบว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายเขาห่อพระศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสัมฤ ใช้ผ้าใหม่มาถึงผ้าใหม่มาห่อเสร็จแล้วก็เอาสำลีบางๆเนี่ยมาซับซับแล้วก็เสร็จแล้วก็ห่อด้วย ผ, ผ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งพอห่อเสร็จก็ซับด้วยสำลีอย่างเงี้ยและอัญเชิญพระสรีระของพร ะ, อ, ะอย่างเนี้ยประมาณ500คู่ใช้ผ้า500คู่เนี่ยนะอัญเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ํามันน้ํามันนี่อยู่เต็มรางเหล็กไปหมดแล้วก็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 มีมีบางองค์ที่สั่งซื้อไม้หอมมาเป็นเครื่องบูชาศรีระเลยก็มีอันนี้นี่ไม่ขนาดธรรมดานะแต่ไม่ต้องพูดถึงระดับพระพุทธเจ้าก็ไปหาพวกไม้หอมทุกชนิดเสร็จแล้วมาถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดินนะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะสร้างสถูกของพระเจ้าจักรพรรดิเอาไว้ที่ทางสี่พร่งเขาปฏิบัติในพระศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการชนิแล เพราะฉะนั้นท่านมาละทั้งหลายหรือท่านวาสิทธะทั้งหลายพวกท่านพึงปฏิบัติในพระศรีระของพระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในพระศรีระของพระเจ้าจักรพัชฉะนั้นพึงสร้างพระสถูปของพระตถาคตเอาไว้ที่หนทางใหญ่สี่เพ่งก็เรียกว่าสร้างเจดีไว้แถวบริเวณสี่แยกเหมือนกันสี่แยกสี่เพ่งก็คือสี่แยกนะ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 พระพุทธเจ้าเนี่ยนรการที่เขาเหล่านั้นได้บูชาด้วยพวงดอกไม้ของหอมอภิวากราหว้ด้วยใจที่เลื่อมใสนั่นจะเป็นไปเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานลำดับนั้นนะนพวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราก็รับสั่งกับพวกราชบุรตรว่าดูก่อนพนายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสารีไว้ให้พร้อมเถิด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 ความสุขเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้หมายก็ว่าแม้คนจะต้องมาจัดการกับสรีระของอาตมาเช่นนี้เช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่เป็นคนลักษณะนั้นแต่ว่าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราเทพ ย, พยายดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็จะชี้แนะเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้มีความอาลัยอาวรยึดถือในสรีระของพระองค์เลยเหมือนอย่างว่าคนที่ตัดผมไปเสร็จแล้วยังอาลัยอาวรในเส้นผมเหล่านั้นไหม เคยตัดเล็บไหมแล้วห่วงใยอะไรอาวอนในเล็บไหมอ่นนะเคยล้างอ่นนะเคยใครว่าขัดขัดถูที่ใครออกไปไหมแล้วคิดอะไรอาวอนไม่เก็บไว้สักปั้มหนึ่งไหมแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเอาไว้ไหมอ่ะแล้วไอ้ร่างกายอื่ น, นๆของร่างกายแหะมันก็ในยะเดียวกันนั่นแหละก็ะไม่ได้อาลัยอาวอนไม่ได้ห่วงหาอะไรในสิ่งเหล่านั้นหรอก เนะพราะอะไรก็เพราะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับโรคเป็นเหมือนฝีซึ่งพระ อ, องค์ก็ใช้ว่ากายที่เปื่อยเน่าอยู่แล้วพระ อ, องค์ก็ตรัสเช่นนั้นในสรีระของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ไม่ได้อาลัยอาวร์แต่พระ อ, องค์แนะแนววิธีการปฏิบัติเหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพพญดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นพระ อ, องค์ก็จะบอกกล่าวแ น, นะนําแก่ สัพพะสัตถ์ทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นเพราะสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่พูดถึงโดยสมัยนั้นเนี่ยนะฝ่ายพูดถึงฝ่ายตรงกันกไกลมากเลยอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือพระท่านพระมหากัะสปะนี่ยนะพระมหากัะสปะนั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเดินทางจากเมืองปาวามาสุกรุงกุสินารา นะ้เมืองปาวานี่เมืองไหนก็เมืองที่นายจุนทะอยู่เนี่ยนะอยนะ่ที่เมืองนายจุนทะถวายอาหารซึ่งพระหมหากระสปะค่อยๆติดตามมาโดยลําดับแต่เป็นการเดินตามห่างๆในระยะทางเรียกว่าหลายวันนั่นกันเนีย่ยนะเดินทางห่างๆตามมาหลายวันด้วยกันครั้งนั้นท่านพระหมหากระสปะแวะออกจากทางแล้วก็นั่งพักที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งนะก็คือพร้อมด้วยพระภิกษุ500รรูปเนี่ยนะ สมัยนั้นอาชีวคนหนึ่งถือดอกมณฑารพจากเมืองกุสินาราเดินทางไกลมาสู่เมืองปาวาซึ่งทีนี้ไม่มีร่มใช้แดดนร้อน อ, อะไรเป็นร่มอ่ะหมายว่าเดือน6ในช่วงเดือน6อินเดียนี่อากาศมหาโหดเหมือนกันนะช่วงเดือน6เนี่ยถือว่าอากาศอินเดียเนี่ยค่อนข้างร้อนนะมันใครเนี่ยไหมถ้าใครอยากจะไปไหว้พุทธกยาเนี่ยนะช่วงวันเพน็ญเดือน6วิสาขาเนี่ยสบายมากเลยเพราะไม่ค่อยมีคนร้อน นะสี่สิบขึ้นไปทั้งนั้นนะองศาเนี่ยนะหายห่วงเลยมแมลงบันก็ชุ่มชุมยุงก็เยอะเยอะเนี่ยนะแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าห้ามนะใครมีศรัทธาก็จงไปเถิดจะอนุโมทนาด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปด้วยนะีนพูดถึงว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยน ะ, อะตอนที่พระองค์ปรินี้ผ่านก็ช่วงวันเพ็ญเดือนหกนะวันเพ็ญเดือนหกเสร็จแล้วก็ผ่านจากนั้นไปประมาณเจ็ดวันแล้ว อาชีวกเนี่ยนะก็ถือดอกมณฑารบเนี่ยเป็นร่มเดินทางจากเมืองปาวาจากเมืองกุสินาราไปสู่เมืองปาวาพระมหากษัตริยนี่จากปาวามาสู่กุสินาราเรียกว่าเดินทางสวนกันมาพบกันระหว่างทางเข้าท่านพระมหากษัตริยได้เห็นอาชีวกนั้นมาแต่ไกลจึงถามอาชีวกเหล่านั้นว่าดูก่อนผู้มีอายุพวกท่านทราบข่าวพระาศาสดาของเราบ้างหรือ อาชีวกก็ตอบว่าเราทราบอยู่พระสมณะโคดมปรินิพานได้เจ็ดวันเข้าวันนี้นี้เป็นดอกมนทารพที่เราถือมาจากที่ปรินิพานนั้นบรรดาภิสูเหลานั้นพิสุเหล่าใด ย, ยังไม่ปราศจากราคะภิษูเหลานั้นบางพวกประคองแขนทั้งสองคลำครวนร้องให้อยู่ลม้มลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนมีเท้าขาดแล้วรำพันอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสุในโลกอันตรทานเร็วนักส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคะพิสูุเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอข้อนั้นจะหาได้ในสังขารจากที่ไหน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 นะคือคือพระที่ติดตามพระมหากัสปะจริงๆก็แต่ละคนก็สั่งสมบุญมาเยอะอ่ะนะท่านเหล่านั้นก็เดินทางมาด้วยเท้าบนแผ่นดินที่เสมือนหินในเวลาร้อนในเวลาเที่ยงก็อย่างที่กล่าวว่าแดดประมาณเมษาพฤษภามิถุนาการกดาเนี่ยออินเดียนี่ชั้นหนึ่งเลยแหละันถ้าใครไปเดินช่วงนั้นเนี่ยก็ร้อนเปรี้ยงเลยนะสีบองศาเนี่ยแต่นี้ไอความที่พระพิสุเหล่านี้บวชมาจากชาติตระกูลสูง เป็นคนที่เคยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาตลอดมันในการที่จะเดินทางในตอนกลางวันอย่างนี้นไม่ใช่ง่ายๆนะก็เลยชวนกันพักอยู่ระหว่างทางก่อนพระเถระเห็นพิสูุ์เหล่านั้นว่าพิสูจนเหล่านี้พากันลำบากและสถานที่ที่จะไปก็ยังอยู่ไกลมันก็พักเสียเล็กน้อยระงับความลำบาก <c oughs> ตอนเย็นถึงเมืองกุสินาราเสร็จแล้วจักเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแวะจากข้างทางปูสังคาติที่โคนไม้แห่งหนึ่ง เอาน้ำจากคันโทนั้นลูบมือลูบท้าให้เย็นแล้วก็นั่งลงภิกษุที่เป็นบริวารของพระมหากัสริยนั้นก็นั่งนะักโคนไม้ใช้โยนิโสมนสิการกรรมฐานบ้างนั่งสรรเสริญคุณพระรัตนะไตยบ้างนะมันบางองค์ก็เจริญสมถะเจริญวิปัสนาบางองค์ก็นั่งสรนเสริญคุณพระ ร, รัรตนะไตรเรรตตรจริญผู้ทานุสติธรรมนุสติสังขานุสติเพราะฉะนั้นท่านพักในระหว่างกลางวันเพราะเพื่อต้องการบรรเทาความเมื่อยลา้า นี่ฝ่ายอาชีวกล่ะอาชีวกก็ถือดอกมนทารพบเนี่ยนะที่ดอกใหญ่ใช้เป็นแทนร่มว่างั้นเถอะอัธสาโขได้แก่พระมหากระสปะเห็นอาชีวกนั้นเดินทางมาแต่ไกลก็แลพระมหากระสปะพอเห็นก็คิดว่านั่นดอกมนทารพบปรากฏอยู่ในมือของอาชีวกดอกมนทารพบนั้นไม่ปรากฏในถิ่นมนุษย์เสมอเสมอไม่ใช่ว่าดอกไม้ชนิดนี้มีอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นปกติ แต่จะมีต่อเมื่อผู้มีฤทธิ์บางท่านแสดงฤทธิ์เนรมิตขึ้นมาหรือผู้มีฤทธิ์ไปเอามาจากสวรรค์มาอันนี้อย่างที่หนึ่งหรือพระสัพพัญญูโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระพุทธมารดาเป็นต้นหรือแม้กระทั่งวันที่ออกบวชเนี่ยนะแต่วันนี้ไม่มีผู้มีฤทธิ์ไรๆไม่มีใครแสดลงฤทธิ์เลยระหว่างนี้พระาศาสดาก็ไม่ได้เสด็จลงสู่คันของพระพุทธมารดา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 เราก็จะนั่งถามก็จะเป็นการทําความไม่เคารพภาษาสดาเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นหอมบางสกุลจีวรสีเหมือนเมฆที่พระทศพลประทานคือท่านใช้ผ้าผื้นเดียวมาตลอดตั้งแต่วันบวชจนจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยนะคือเรียกว่าทั้งปะผุใช้เหรนะใช้มาตลอดตั้งแต่นนะั้นแหะเป็นหลายสิบปีมาแล้วเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าบวชให้เองให้เองมาเนี่ยประหนึ่งพญาช้างฉัาดทันหลีกออกจากที่ยืนคลุมหนังแก้วมณีฉะนั้น ท่านก็ท่านพากรสปะยกอัญชลีรุ่งเรืองอด้วยท่าสะเรียกว่าเล็บทั้งส0บนิ้วเนี่ยประชุมไว้เหนือเสียงกล่าวหันพระพักไปต่ออาชีวกด้วยความเคารพในภาษาสดากล่าวถามว่าท่านผู้มีอายุท่านทราบข่าวภาษาสดาของเราบ้างไหมรู้ข่าวพระพุทธเจ้าไหมเขาก็มีคำถามถามแทรกในระหว่างพระมหากรสปะไม่รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าปรินิพาน ะนะก็มีคณาจารย์ดังๆเขาวิจารณ์ไว้หลายคนเขาบอกว่าไม่รู้คือคืออะไรเพราะพระมาก็สปะไม่ไม่เคยเอาเรื่องนี้มานึกเพราะท่านจึงไม่รู้อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าท่านมากด้วยเข้าสมาบัติท่านเข้าพร ะ, ะสมาบัติทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแม้กระทั่งเวลาบินทบาตเนี่ยนะท่านก็ยังเข้าสมาบัติก่อนจะรับอาหารหลังจากรับอาหารเพราะท่านมัวแต่เข้าสมาบัติท่านก็เลยไม่รู้ว่าพราะองค์ปรินิพพ์เพราะมัวแต่ใส่ใจในเรื่องสมาบัติ